ทีนี้ขึ้นอีกสูตรเลยว่าวิชาสูตรนะนะว่าวิชานี้เป็นหัวหน้าแห่งกุศลธรรมทั้งหมดนะจิงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธารหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกอนพิสูน์ทั้งหลายอาวิชาเป็นหัวหน้าแห่งกุศลธรรมอาฮิริกะอโนตปะเป็นไปตามนะครับบริวารของเขา น, นะ อวิชานะโมหะอาหิริกะอโนตตะปะนั่นเองนะครับในโมจตุกะนะโมหะอุทาจจะอหิริกะอโนตตปะเนี่ยนะแต่ว่ายกเฉพาะ3ตัวถ้าอาวิชาหรือโมหะเกิดขึ้นนะอหิริกะและอโนตตปะจะเป็นบริวารติดตามไปดูความพิสูจทั้งหลายส่วนวิชาหรือปัญญานั่นแหลเป็นหัวหน้าแห่งการถึงพร้อมแห่งกุศลรธรรมหิริและโอตะปะก็เป็นไปตามนะครับ นะก็คือแสดงถึงหัวโจกว่า ง, งั้นเถอะทั้งสายดำและสายเขาสายดำก็มีวิชาเนี่ยเป็นผู้นำถ้าสายเขาก็มีวิชานี่แหละเป็นผู้นำพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าทุคติอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้และในโลกหน้าทั้งหมดมีวิชาเป็นมูลอันความปรารถนาและความโลภ กขึ้นก็เพราะเหตุที่บุคคลเป็นผู้มีความปราถนาลามกไม่มีฮิริไม่เอือ้อเฟื้อฉะนั้นจึงย่อมประสบบาปต้องไปสู่อบายเพราะบาปนั้นเพราะเหตุนั้นที่สุสำรอกฉันทะโลภและอวิชชาได้ให้วิชาบังเกิดขึ้นอยู่พึงละทุขติทั้งปวงเสียได้นะครับนี่ก็กล่าวถึงว่า บาปประรรมหรืออบายทุกขติวินิบาตนรกทั้งหมดเหล่านี้นี่นะครับก็มีอวิชานั่นแหละเป็นหัวหน้ามีอวิชานั่นแหละเป็นมูลมีอวิชานั่นแหละเป็นรากเป็นเงานะครับราะนั้นอวิชานี่ที่เป็นมูลพออวิชาที่เป็นมูลหรือเป็นเหตุปัจจยัยโลภะก็เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอโลภะเกิดขึ้นแล้วยังไงต่อไปครับพอโลภะเกิดขึ้น อหิริกะก็เกิดขึ้นอโนตปะก็เกิดขึ้นถึงความปรารถนาลามกพากันกอกรรมทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและก็ความชั่วเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนรกแต่ถ้าหากว่าสํารอกฉันทะคือโลภะสํารอกอวิชชาได้แล้วนะครับยังมัคควิชาให้เกิดขึ้นก็จะละอาบายทุกคติวินิบาตเสียได้นะครับขอกคุณครับ ให้ลองอธิบายลักษณะของอวิชชาได้มันเป็นมันเป็นลักษณะยังไงครับ อ, อ, อวิชชาก็คือความไม่รู้นั่นเองนะครับซึ่ง เ, เราได้เคยกล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าอาวิชชานั้นทําให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้อย่างหนึ่งนะครับหมายก็ว่าความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ควรปฏิบัติไม่ควรทําเลยนะแต่อวิชชามันให้ทำนะครับอวิชชามันให้ทําความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาแล้วก็คิดชั่วทางใจ นน ค, คุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรได้ควรประพฤทธปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเพราะให้ผลเป็นต้นเป็นสุขนะครับแต่อวิชชาไม่ให้ทําหรอกครับคืออวิชชาเนี่ยงานของเขาเนะเขาไม่ให้ทําดีเขาให้ทําแต่ความชั่วลักษณะนั้นนะครับถ้าเขาเป็นหัวหน้านะทีนี้อวิชชานี่ก็จะปกปิดสัธจธรรมทั้งหมดนะครับปกปิดขั น, นธ์าตุอริยณะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทปกปิดหมดไม่ให้เห็น นะครับอ า, อาจจะได้ยินชื่อบ้างนะครับแต่ว่าอัตตะเหล่านั้นสภาวะธรรมอย่างนั้นจะไม่เห็นนะครับเพราะวิชาปิดไว้ อ, อวิชานี่นะครับเมื่อเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็ให้ไหลไปในสังสารทุกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องกลางกั้นทั้งหมดนะครับปกปิด อริยสัตว์ปกปิดทุกปกปิดทุกขสมุทัยปกปิดทุกขานิโรธปกปิดทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาไม่ให้ยังถึงขันธาตุอริยตนะที่เป็นอดีตไม่ให้รู้ขันธาตุอริยตนะที่เป็นอนาคตไม่ให้รู้ขันธ์าตุอริยตนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปกปิดไม่เห็นไม่ให้เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ให้เห็นวัตถุไม่ให้เห็นอารมณ์ไม่ให้เห็นวิญญาณ น, นะครับไม่ให้เห็นสัจจะทั้งหลายเแถวลอานี้เลยนะครับท่านงานของเข้าเมื่อประสบความสําเร็จคือไม่ใหห้เ็นริยั แล้วก็ให้ทำบาปไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่เลิกไม่ราไม่จบไม่สิ้นะ่ะนั่นคืองานของอวิชานะครับนั้นก็ยอมให้เมาตลอดนั่นเองนะครับให้มัวให้เมาให้ประมาทนะครับนะบทว่าปุบพังคขมานะครับได้แก่เป็นหัวหน้าโดยอาการสองอย่างนะครับคืออวิชานี่นะเป็นหัวหน้าของบาปสองอย่างนะโดยสหาชาตปัจจัยและโดยอุปนิสยปัจจัย หรือเป็นประธานแห่งอากุศลธรรมเบื้องหน้าจริงอยู่การเกิดขึ้นแห่งอกุศลเว้นจากอาวิชชาเสียแล้วย่อมมีไม่ได้คือหมายความว่าอากุศลธรรมทุกชนิดต้องมีอวิชชาแจมอยู่ด้วยอันหนึ่งนะครับนะเพราะว่าโลภะมูลจิตหรือเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดมีอวิชชาเกิดร่วมด้วยโทสะมูลจิตและเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดมีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะครับอันในโมหะเจตสิกหรืออวิชามันก็เกิดร่วมกัน ทีนี้ในขณะเดียวกันนะครับความโง่ครั้งนี้เป็นอุปนิสัยให้โง่ต่อๆไปนะครับโลภะเกิดครั้งนี้เป็นอุปนิสัยให้โลภะเกิดต่อต่อไปโดยที่อวิชชาทำหน้าที่ปิดตันหาทำหน้าที่ผูกนะครับตันหาทำหน้าที่ประกอบอวิชชาทำหน้าที่ปกปิดเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นประธานแห่งอกุศลธรรมไม่ว่าจะทําความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอวิชชาเสียความชั่วเหล่านั้นจะมีไม่ได้ อย่างเช่นเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอวิชชาเนี่ยนะครับไม่มีความชั่วใดๆที่เกิดขึ้นเลยนะครับในตัวของพ่อองค์เนี่ยนะครับเพราะพ่อองค์ไม่มีความชั่วเลยบทว่าสมาปฏิยาได้แก่ความเป็นไปเพื่อได้ความจริงอันถึงเฉพาะหน้าความเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งอากุโสรธรรมทั้งหลายโดยความเป็นปัจจัยแห่งอโยนิโสมนสิกานโดยการปกปิด แห่งความเป็นไปของอกุศลนะครับคือปกปิดโทษ น, นะว่าบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมีทุกมีโทษอย่างไรและโดยความยังละไม่ได้ย่อมปรากฏในขณะนั้นนะครับคือปล่อยให้อกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ให้ยังถึงว่าอากุศลธรรมเหล่านั้นนั้นเนี่ยมีผลเป็นทุกเป็นโทษอย่างไรนะครับแล้วก็ทุกโทษของอวิชชาเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เหมือนอย่างว่าถ้าจิตเศร้ามองหรืออวิชชาลุ่มรุมในเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะครับ อบายทุกติวินิบาตก็หวังได้นะครับอวิชาบางอย่างทำให้ล่วงกายกรรมล่วงวจีกรรมล่วงมโนกรรมสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายพาไปสู่อบายได้เพราะฉะนั้นผลพวงของอวิชานี่นะครับดูสิว่าเดาชานี่มีขนาดไหนนั่นคือผลของอวิชานะครับแล้วนรกเปรตอสุรกายที่เรามองไม่เห็นอีกก็ทั้งมากมายนะครับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผลของอวิชา แล้วมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับทุกนะครับมีการป่วยการไข้ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะครับทุกโทษที่มนุษย์ทั้งหลายได้รับทั้งหมดก็เนื่องจากอาวิชชานั่นเองนะครับเนื่องจากไม่รู้สัจธรรมนั่นเองนะครับทีนี้ก็กล่าวถึงในคาถานะครับข้อความในคาถา ท, าที่บอกว่าทุกคติอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้นี่นะครับและโลกหน้าทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูลนะครับคือว่านรก หรืออบายสุนรกเปรตอสุรกายเดรฉานที่เราเห็นเนอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็มีอบายมีอวิชาเป็นมูลและชีวิตของพวกเราทั้งหลายถ้าจะตกนรกนะครับถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายและเดรฉานเป็นต้นก็เนื่องจากอวิชานี่แหละเป็นมูลนะครับให้เห็นโทษนะเออถ้าหลับตาเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะถ้ายังใช้ชีวิตเดินหลับตาต่อไปตกเหวตกเขาอันนี้มีแน่นอนนะนะเพราะไอความหลับนั่นแหละหวังงั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตัดให้ตื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าวิชาที่เป็นมูลอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความปรารถนาขึ้นนะครับปกปิดเสร็จแล้วก็ให้ปรารถนาพอปรารถนาความโลภก็จะก่อตัวขึ้นนะครับปรารถนาอะไรครับปรารถนาตาหูจมูกลิ้นกายใจอันต่อไปปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสโภพภะธรรมอารมณ์ทั้งหลายต่อไปเนี่ยนะพอวิชาปกปิดทุก อายตนะอายตนะสมุทยัยอายตนะนิโรตอายตนะนิโรธคารมินีปฏิปทาหรือขันขันสมุทยัยขันนิโรตขันนิโรธคารมินีปฏิปทาพอปกปิดแล้วทําให้ปรารถนาขันทั้งหลายทําให้ปรารถนาอายตนะทั้งหลายทําให้ปรารถนาธาตุทั้งหลายธาตุทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกต่อไปนะครับก็เพราะเหตุที่บุคคลเป็นผู้ปรารถนาลามกนะครับคือโลภะเนี่ยนะ ปราถนาแบบนั้นก็ไม่มีฮิริไม่มีโอตปะถ้าใช้คําว่าไม่มีฮิริไม่มีโอตปะเนี่นะครับอหิริกะอโนตปะเนี่ยครับเป็นเหตุใกล้ให้ทุศีล น, นะครับเป็นเหตุใกล้แห่งกายะทุจริตวัจีทุจริตและมโนทุจริตเพราะฉะนั้นก็ย่อมประสบบาปเป็นอันมากไม่ว่าจะเป็นบาปทางกายบาปทางวาจาบาปอันนั้นแหละครับเจตนาอันนั้นก็พาไปสู่อบายนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าให้เห็นบาปทั้งหลายเหล่านั้นนะ เพราะเหตุ น, นั้นถ้าสำรอกฉันทะโลภะและอวิชชาได้นะครับทำวิชาให้เกิดนะทำอริยมรรคให้เกิดก็จะละทุกขติได้ทีนี้ไอ้คำว่าทุกขตินี่นะครับเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มีพยาธิมรณะเป็นต้นด้วยประการชนิดนะที่จริงนะในสูตรนี้คติทั้งหมดนี่ชื่อว่าทุกขติไอ้คำว่าคตินี่ทั้งนิรยคติคติคือนรกคติคือเปรตคติคือเดรชานแล้วก็ คติคือมนุษย์คติคือเทวดาเนี่ยน ะ, ระเรียกว่าทุกคติทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเป็นที่ตั้งแห่งพยาธิและมรณะ น, น, นะนะชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานะัตและอุปาญาตก็จะเกิดขึ้นนะครับมนุษย์ถามว่ายังยังมีไหมทุกอันนี้มนุษย์ก็มีพยาธิมรณะโสกกะปริเทวะทุกขโทมนะัตและอุปาญาตเทวดาก็ยังมีมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตพรหมก็ไม่เที่ยง นะครับก็มีความสุขชั่วระยะหนึ่งด้วยอำนาจแห่งผลของฌานนะครับเพราะว่าพรหมก็ยังมีมรณะมีจุติเนี่ยนะครับคือพรหมเนี่ยนะที่พูดเป็นกับกับเนี่ยนะเมื่อเทียบถึงสังสารวัตอันไม่มีที่สิ้นสุดก็ที่พักชั่วคราวนะครับเมื่อมองสังสารวัตอันยาวไม่มีที่สุดไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดเนี่ยนะที่พักคือพรหมก็ชั่วคราวนะครับ อีกอย่างหนึ่งกายทุกขจริตวจีทุจริตและมโนทุกขจริตชื่อว่าทุกขตินะครับคือความชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยนะชื่อว่าทุกขติเพราะคติที่ถูกกิเลสมีราคะเป็นต้นปัทถุสลายอันเป็นไปทางกายทางวาจาและทางใจนะครับไปด้วยความชั่วนะกลายเป็นอัคติใช่ไหมครับโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเป็นไปทางกายวาจาใจก็เรียกว่าอัคตินะครับหรือทุกขติก็อันเดียวกันนะครับเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยทุกขโทษอย่างมหาศาลนะครับ บทว่าอาวิชามูลิกาสภาได้แก่ความวิบัติแห่งทุจริตแม้ทั้งหมดนั้นมีอวิชาเป็นมูลอย่างเดียวเพราะมีอวิชาเป็นหัวหน้าโดยนัยดังกล่าวมาแล้วนะครับถามว่าดังกล่าวมาแล้วดังกล่าวว่าในสูตรไหนครับในสูตรว่าด้วยโมหะสูตรนะครับโมหะสูตรโมหะสูตรนั้นในข้อ192นะครับ แล้วก็ในอันตกระาอธิบายถึงอวิชชาในหน้า1 0 8หน้า109นะครับ ท, ที่กล่าวไว้ซึ่งเคยอธิบายไปแล้วนะครับพอวิชชาเนี่ยเป็นหัวหน้าแห่งความชั่วทั้งหมดเลยนะครับบทว่าอิจฉาโลภสมุธยานะครับความว่าชื่อว่าอิจฉาโลภสมุสยาเพราะอันความปรารถนามีลักษณะสแสวงหา อันยังไม่ถึงพร้อมและอันความโลภมีลักษณะอยากได้สิ่งอันถึงพร้อมแล้วก่อขึ้นคือสะสมบทว่ายะโตได้แก่เพราะมีอวิชาเป็นเหตุเป็นผู้ถูกอวิชาเนี่ยปกปิดปกปิดไม่ให้เห็นสัจธรรมนะปกปิดไม่ให้เห็นทุกโทษของบาปทั้งหมดนะบดว่าปาปิดโฉได้แก่เป็นผู้มีความปรารถนาลามกไม่เห็นโทษพอไม่เห็นผลของบาปทั้งหลายก็ทาความหลอกลวงเป็นต้น ด้วยการยกย่องคุณที่ไม่มีเพราะความเป็นผู้ปรารถนาลามกเพราะถูกอวิชชาปกปิดเพิ่งเห็นว่าแม้ความปรารถนาในตนก็เป็นอันถือเอาแล้วด้วยความโลภเหมือนกันคือพอถูกอวิชชาปกปิดผลแห่งบาปเหล่านั้นก็อวดนะครับเป็นผู้ไม่มีศีลก็หลอกลวงให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเป็นผู้มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา ก็ปรารถนาอยากให้ชนเหล่าอื่นรู้ว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีปัญญามีสมาธิเป็นต้นนะครับตัวเองเป็นคนฟุ้งสซ่านทําเป็นนั่งสมาธิให้คนเห็นเป็นต้นเนี่ยนะครับที่จริงก็นั่งฟุ้งอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ก็อยู่อิริยาบดนิ่งครึม้มให้คนนึกเลื่อมใสศรัทธาหรือว่าทาตัวเหมือนกับว่าแหมจะเป็นผ้าอรหันเดินได้นะครับหลอกลวงเข้าให้เขามีศรัทธาให้มีความเลื่อมใสอะนะไม่รู้หรอกว่าไอ้ความหลอกลวงเป็นต้นเหล่านะั้น่ะ พาให้เกิดทุกโทษขนาดไหนนะครับเมื่อไม่รู้นี่แหละครับก็ทาให้ปราถนาลามกนะครับความดีไม่มีอยู่ก็อวดอ้างเหลือเกินนะครับมีคุณงามความดีอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยนะบทว่าอนาธโรได้แก่เวนจากความเอื้อเฟื้อในเพื่อนสัพพมจารีเพราะไม่มีโอตปะอันถือโลกเป็นใหญ่คือถ้าหาว่าขาดโอตปะในเพื่อนพรหมจารีนี่นะครับตัวเองบางพระ บางองค์เนี่ยตัวเองไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ว่าด่าพระลูกวัดด่าพระสงฆ์องค์เนินดา่าผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยนะครับเพราะไม่มีโอตปะขาดความเคารพขาดความนับถือไม่มีความยำเกรง น, นะไม่เหมือนพระมหากัสปะนะครับพระมหาคสปะพระองค์นี้สอนให้ตั้งฮิริโอตปะอย่างแรงกล้าตั้งแต่บวชใหม่ๆเลยนะในภิกษุทั้งปูนเทระปูนนวากะหรือปูนมัชชิมะเนี่ยนะครับตั้งฮิริโอตปะไว้อย่างแรงกล้านะ บนว่าตะโตได้แก่เพราะเป็นเหตุแห่งอวิชชาความปรารถนาลามกความไม่มีหิริไม่มีโอตาปะบนว่าปัสติได้แก่สะสมบาปมีกายทุจริตเป็นต้นนะครับทําความชั่วทางกายเช่นนะครับลักของสง์เป็นต้นนะถ้าพระภิกษุทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับก็ะจะเอาของสงใช้ของสงโดยที่ไม่ถูกต้องวจีทุจริตก็ดาผู้มีศีลมีธรรม น, นะใช้วจีทุจริตขึ้นทํมามะเทศก็เพ้อเจอริญเดรัชานกระถาเต็มธรรมะหมดนะครับ เพราะฉะนั้นก็นี่นะครับเพราะอำนาจแห่งอวิชชานั่นแหละครับไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีผลอย่างไรทีนี้ถ้าล่วงมาทางกายทางวาจาขนาดนั้นแล้วไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าจิตแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละวันเป็นไปอย่างไรนะครับนั่งเฝ้านั่งชมทีวีดูละครอยู่นั่นนะครับทําตัวทันสมัยไปหมดนะครับนะเพราะไม่เห็นว่าเออนี่นะเราบริโภคปัจจัยสี่ของชาวแว่นควนสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะบาปเหล่านี้มันจะให้ผลแก่ใครก็ลืมไปนะครับ เพราะไม่ได้เจริญอภินหะปัจเวคขณะนะครับาเออบัด น, นี้เรามีเพศต่างจากคารวาสแล้วนะนะครับชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นทั้งหมดนะก็ทำตัวเป็นเหมือนกับคร อ, อะไรนะครหา บ, บดีศีษะโล้นนะครับมา น, นะมีนะในพระสูตรบทว่าตาสมาได้แก่เพราะอาวิชชาเป็นต้นเหล่านี้นะครับเป็นรากเงาแห่งทุจริตทั้งปวงและเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมอง อันเป็นแดนเกิดในทุกขติทั้งปวงอย่างนี้ฉะนั้นภิกษุสํารอกความปารถนานะครับคือให้ละอันนั้นนะสำ ROC นี้คือวิราคะนะครับก็เป็นวิราคานุปัสสนาเป็นต้นนั่นเองละความโลภละอวิชาอหิริกะอโนตะปะได้ละด้วยสมุทเฉทาปะหารคือละด้วยอริยมรรคนั่นเองนะครับถามว่าสํารอกอย่างไรจึงจะให้วิชาเกิดขึ้นได้ตอบว่าควรควายตามลําดับวิปัสนาคือวิปัสนาก็เจริญขึ้นโดยลําดับนะครับ แล้วก็ปฏิบัติตามลำดับมรรคนะครับโสดาปฏิมรรคเป็นต้นแล้วก็ยังอรหัตมรรคให้เกิดในสันดานของตนบดว่าสาภาทุกคติโยได้แก่พึงละคือพึงสละพึงก้าวล่วงทุกคติกล่าวคือทุจริตแม้ทั้งปวงหรือคติห้าทั้งปวงอันชื่อว่าเป็นทุกเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกในวัตะนะครับ กรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏจึงอยู่กรรมวัฏและวิปากวัฏเป็นอันละได้ด้วยการละกิเลสวัฏนั่นแหลด้วยประการชนิดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะละสังสารวัฏนะ่นละกรรมละวิบากก็ต้องละกิเลสเพราะกิเลสนี้เป็นเหตุแห่งกรรมกรรมเมื่อเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแห่งวิบากวิบากก็เป็นเหตุใกล้ให้ได้รับทำกรรมใหม่อีกนั่นแหละ แล้วก็กิเลส ก, ก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นสังสารวัตก็เวียนวนอยู่นี่แหละครับไม่มีจบมีสิ้นอยงนั้นบางท่านก็บอกวงจรอุบาทวงจรอับประรักนะครับแต่อย่างพูดนี่ไม่ใช่ที่ไหนแล้วครับนี่แหละลืมตากระปริบกระปริบเนี่ยแหละครับวงจรอับประรักนะครับเพราะมีแต่ทุกข์โทษนะนะเออเดินคิดดูเอพอพระองค์เนี่ยนะครับตรัสถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีทุกข์มีโทษมีภัยจริงๆเลยนะ แต่ถ้าเรามองเหตุใก ล, ล้มองเฉพาะหน้ามองด้วยความรื่นเริงเพลิดเพลินเนี่ยนะก็ uki, สบายสบายไปเหมือนกับไก่มันอยู่ในสุ่มเนี่ยนะครับเวลามันจิกตีกันบ้างอะไรบ้างมันเป็นสีสันใช่ไหมครับของไก่ในสุม่มแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าหลังจากนั้นไปมันจะถูกต้มถูกเชื่อดอะไรเนะี่ยไม่รู้ซากอย่างนะคะชันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับขณะที่กําลังเพลิดเพลินรื่นเ ร, นเริงในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าผลของสิ่งนั้นนั้นนะ่ะจะมีผลอย่างไร เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าขันทั้งห้าเนี่ยนะเป็นเหมือนเพศจะขาดนะนะครับเลี้ยงไม่เชื่องมหาภูต ร, รูปแต่ละอย่างก็เหมือนอสสรพิษอายตนะภายในเหมือนบ้านร้างอายตนะภายนอกที่รับรู้ก็เหมือนกระโจนปล้นเป็นเหตุให้โลภะโทสะโมหะเป็นต้นนั่นแหละเกิดนะครับรูปปัจจัยรูปปัญก็เหมือนกับฟองน้ําเวทนาขันก็เหมือนกับตอนมน้ําสัญญาขันก็เหมือนกับ พยับแดดสังขารขันก็เหมือนกับต้นกล้วยวิญญาณขันก็เหมือนกับนักเล่นกลดูให้เหมือนมีคนเดินมาคนเดินไปแต่ที่จริงนะจิตที่เป็นเหตุใ ห, ให้เดินมาเดินไปให้นั่งให้ยืนก็คนละอย่างคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นมันหลอกลวงเอาไว้ดักคนเขาดักคนที่ไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริอรยศาสตร์เนี่ยนะก็ปกปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นพอวิชาเป็นหัวหน้าแห่งบาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็พากันก่อกทำทําความชั่วเนี่ยนะครับเันทุกโทษทั้งหลายที่ได้รับก็อยู่อย่างนั้นแหละครับ เขก่าวครับเออยังเช่นว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ได้รับได้รับรูปต่างตาเสียงตทางหูแล้วก็กลิ่นทางจมูกลิ้นรสสัมผัสทางกายอะไรเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีสติรละเลือกรู้นี่ถ้าอย่างนี้นี่ถือว่าเราก็สั่งสมโทษไปทุกขณะเลยครับผมแต่ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงคําว่ามีสติแะเลือกรู้เนี่ยขอบเขตแค่ไหนครับ ก็ไม่มีศิกขาสามนะครับเมื่อมองเห็นเป็นต้นละครับเรียกว่าคนไม่มีสติเลยนะครับไม่มีที่ศีละสิกขาไม่มีที่จิตสิกขาไม่มีที่ปัญญาสิกขาเมื่อตามองเห็นสมณเพศเราเนี่ยนะครับมันขึ้นต้นด้วยศีลสมาธิและปัญญา ถ้าตามองเห็นไม่คิดถึงกุศลศีลที่พระองค์ทรงแสดงนะไม่คิดถึงอธิจิตติสิกขาไม่ปรารบอธิปัญญาสิกขาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ปรารบพระสูตรพระวินยัยผ้าพี่รำอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนั่นแหละครับเรียกว่ า, าวิชาที่บริสุทธิ์ล้วนๆนะครับ สิกขาสามศีลสมาธิปัญญานี่นะครับพระวินัยนี่เป็นนิมิตแห่งศีลพระสูตรเป็นนิมิตแห่งอธิจิตหรือสมาธินะครับพระพิธรรมนี่เป็นเรื่องของปัญญา mm hmm. เพราะฉะนั้นตามองเห็นหูได้ยินเสียงเป็นต้นเนี่ยต้องสงเคราะห์พระไตรปิฎกลงนะครับ mm hmm. ได้มากได้น้อยไม่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ว่ามันสงเคราะห์ลงนะครับ mm hmm. อย่างน้อยตามองเห็นถ้าจะนึกถึงศีลก็ให้ได้สักข้อก็ยังดี เออเนี่ยมองเห็นเนี่ยเราจะผิดศีลอะไรได้บ้างเป็นต้นเนี่ยนะจะสังวรอย่างไรเป็นต้นถ้าล่วงละเมิดแล้วมีโทษยังไงถ้ารักษาแล้วมีคุณยังไงอันนี้เป็นเบื้องแรกนี่นะถ้าหากว่ามองเห็นนะถ้าเรายังปล่อยให้จิตไปเป็นบาปเนี่ยนะศีลเราก็จะไม่ดีนะถ้าจิตเป็นบาปโลภโทสะโมหะมันเกิดแล้วมีผลอย่างไรต่อไปอ่านะแล้วพระองค์ทรงแสดงโดยสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยคัมภีร์ต่างๆในพระพิธรรมเนี่่กล่าวถึงการเห็นว่ายอย่างไร กล่าวถึงจิตอย่างไรกล่าวถึงรูปอย่างไรกล่าวถึงเจตสิกอย่างไรกล่าวถึงขันธาตุอายตนะเป็นต้นอย่างไรต้องมันวิเคราะห์ตามนี้ไปซึ่งพระไตรปิดกทั้งพระไตรวิดกเลยนะครับก็คือสงเคราะห์มาในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ดําเนินไปนี่นะครับต้องสงเคราะห์พระไตรวิดกลงได้ถ้าสงเคราะห์ลงไม่ได้ศาสนพรหมจันทร์เราก็ตกแล้วนะครับขณะนั้นๆขณะที่ไม่เป็นไปกับคําสอนเหล่านี้เราตกจากาศาสนาพรหมจันท<เ>ร์แล้วนะครับ นะเพราะว่าพรหมจรรย์ น, นั้นเป็นชื่อของไตรสิกขาเป็นชื่อของอริยมรรคถ้าไตรสิกขาไม่เกิดอริยมรรคก็ไม่ต้องหวังกันแล้วเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเบื้องแรกต้องหมั่นสงเคราะสิกขา3เป็นไปในทวาร6ให้ได้นะครับเมื่อเกี่ยวข้องกับทุกๆอารมณ์นะถ้าฝึกลักษณะนี้จะมองเห็นว่าทุกอย่างมีศีลรองรับหมดเลยเหมือนกับถ้าเรียนธรรมวินัยจบกระบวนการแล้วนะ ก็เหมือนกับหมอชีวกที่ไปเรียนเรื่องแพทย์นะครับเรียนเรื่องยุ่เรื่องยาเนี่ยนะกับสำนักอาจารย์ที่สาปามโมกเนี่ย น, นะมีอยู่พอจบวิชาแล้วก็ให้เสียมอันหนึ่งไปดูซิว่าในเนี่ยตลอดระยะเวลาโยตเป็นต้นเนี่ยนะท่านเดินไปเลยว่าที่นอะไรมั่งที่ไม่ใช่ยาให้ขุดต้นนั้นมาหาอาจารย์ น, นะไปขุดสิ่งนั้นแหละมาหาอาจารย์ว่าไม่เป็นยาเลยอันเนี้ยนะหมอชีวกเนี่ยเดินตรวจในทุกทิศหาต้นไม้ที่ไม่เป็นยาไม่มีเลย ต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดแต่จะยาอะไรรักษาโรคอะไรก็ตามสมควรแก่สรรพคุณของพืชชนิดนั้นๆไปชั้นใดก็ดีนี่นะครับศึกษาธรรมวินัยเนี่ยนะท่านลองค้นหาดูซิว่าที่ไหนไม่มีศิกขาสามอยู่เลยในที่ทุกขนทุกแห่งเนี่ยนะครับตรงไหนบางที่พระองค์ไม่ได้สอนศิกขาสามไม่เลยนะครับทุกแห่งมีสิกขาสามแม้กระทั่งโต๊เก้าอี้ที่นั่งยังมีสิกขาอยู่เลยนะครับ เนี่ยนะพระเถระพระนวกะเพื่อนเนี่ยนะครับอับัตทางตาอับัตทางหัวอับดัตกลางวันอับัตกลางคืนอับัตตอนเปิดไฟตอนติดไฟเปิดหน้าต่างนะครับอับัตตอนกลางวันกลางคืนอับัตบนกุฏิเป็นต้นเนี่ยนะครับแม้อับัตในการนอนการนั่งการพูดมีหมดนะครับอับัตตั้งแต่หัวโจรเท้าแม้แต่เส้นผมเนี่ยนะครับเนี่ยนะถามดูตรงไหนไม่มีอับัตอยู่บ้างอ่าขอกันครับในรองสงเคราะห์ประเภทแบบจิตตะศิขาแล้วก็ ที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาลงในในในรูปที่เห็นทางตาที่เราใช้ชีวิตในประจําวันอย่างเช่นว่าเมื่อเมื่อกี้นี่เห็นใครครับเอาลองเอาตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเห็นอะไรก่อนเมื่ออกี้พันอาวุโสวา่างถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับพระรูปหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นพระเทเระเราก็ต้องประพฤติในเรื่องของกุศ ล, ลนีนเรียกว่าสิทธิสิขาใช่ไหมทีนี้จะให้สงเคราะห์ ในเกี่ยวกับเรื่องจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาอย่างที่ว่าพันเตสมชายอย่างเนี้ยเวลาเราพบท่านเราจะเจริญจิตตสิกขายังไงก็สมถะสี่สิบเนี่ยสงฆ์ขอลงได้ไหมล่ะถ้าเจริญสมถะสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะเห็นอะไรก็เจริญได้ถ้าเจริญเช่นอาการสามสิบสองมีไม่พ้นอาการสามสิบสองไหมถ้าเมตตาเจริญได้ไหมพรมิหารเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งพรมิหารได้ไหม เกษินได้ไหมอสุภาพได้ไหมอนุสติได้ไหมแต่ปัญหาสําคัญก็คือต้องศึกษาคําสอนเหล่านั้นให้ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่โอโหไปเที่ยวดูแล้วค่อย ค, อยคอยนึกดูนึกไม่ออกหรอกครับถ้าเรียนมาไม่ดีจริงๆนะครับเสีขาสามถ้าไม่มีสุตะมาอย่างเพียงพอแล้วยากที่จะเจริญได้ถ้าหากว่าสุตะเป็นต้นทรงจําไม่ได้แล้วก็เจริญไม่ได้ถ้าเจริญไม่ได้นะครับเสียหายแล้วนะพรมอาจารย์นี่ดูท่าจะเป็นหมันแล้วละ่ะนะครับ